ว่เบงเฮกนั้นตกใจยิ่งนักก็หนีพลัดกันไปกับทหารพลัดไปทางริมแม่ น, น้ํำไปเห็นเรือคอยอยู่ก็คิดว่าพวกของตัวก็ร้องเรียกให้เรือเข้ามารับเรือมาตาย้ยสิของเบงฝั่งไปแล้วครั้นเรือมาถึงเบงเฮกก็ย่านเข้าไปล้มเรือแล้วก็รีบออกจากฝั่งจะข้ามปฟามาตา้ครั้นเห็นเรือออกมาพ้นฝั่งแล้วก็ กุ้งลงก็จับตัวเบ่งเฮกได้สําเร็จมัดเอาตัวไปข้างฝ่ายของเบ่งนั้นที่หนีไปจากค่ายคือทิ้งค่ายให้อยู่เปล่าอย่างนั้นแหละตัวเอง อ, อไปอยู่ข้างนอกค่ายพร้อมกับผ่านน้ำพวงอะเห็นเบ่งเฮกแตกไปแล้วขมเบ่งก็กลับเข้ามาอยู่ในค่ายดังเดิมอยูลุ่งมาตายนายทัพนายกองทั้งตัว ที่จับได้ตัวเบ่งเฮเบ่งฮิวและทหารทั้งหลายเหล่านั้นมัดเข้ามัดหยุดไว้เนาะไข่แล้วก็ชวนกันเข้าไปบอกแก่ขงเบ่งขงเบ่งก็จึงสั่งให้เอาแต่ทหารที่ต้องมัดนะ่ะเข้ามาให้หมดสิ้นก่อนแล้วก็สั่งให้แก้มัดออกและขงเบ่งก็จึงว่าพวกเองทั้งตัวเนี่ยขัดเขามิดได้ จึงจำใจต้องมารกก็รังแต่จะยับเยินเสียเปล่าเหมือนยับแพร่ฝ่ายลูกเมียซึ่งอยู่ข้างหลังจะรู้ว่าเราจับได้ก็จะร้องไห้คล่งครวญเป็นทุกโศกเศร้าถึงยิ่งนะักเราจะปล่อยตัวไปเพื่อเอาบุญแต่ว่าทีนี้อย่ามารบเรานะของเบ้งว่ายอย่างนี้แล้วก็ขับคือปล่อยตัวขับไล่ออกไปเลย ปล่อยทาหารไปหมดละและขงเบงก็สั่งจูโลงอุเอียนมาใต้สามคนนี่วะท่านจงคุมทาหารข้ามไปแต่ในราตรีคืนไปตั้งที่ค่ายเบงเฮกเรียงรายกันไปทั้งสองข้างแหละจูโลงอุเอียนรับคําแล้วก็ลาขงเบงออกมาจับแจงฐานยกไปกระทําตามคําสั่งคือไปยึดค่ายเบงเฮกไว้ก่อนนั่นเองละ หลวงท่านกระทำเป็นสองประการนะครับคือเหล่าทหารของเบ่งเฮกเบงฮิวนี่ออกผูดจ่าเสร็จแล้วก็ปล่อยละทีนี้ใช้จุลงอุเย็นไปแล้วบัดนี้ก็สั่งให้เอาตัวเบ่งเฮกเบงฮิวเข้ามาระเมื่อเบ่งเฮกเบ่งฮิวถูกจับตัวเข้ามาของเบ่งก็หัวเราะแล้วก็ถามเบ่งเฮกว่าท่านทํำกลอุบา ย, ชายใช้น้องชายเอาของมาให้เรา แล้วยกทับมาตีคิดว่าเราไม่รู้หรือเมื่อเราจับตัวได้เช่เนี้จะกลัวเกรงเราเราหรือยังเบงเฮ็กก็จริงว่าท่านจับเราได้ทั้งนี้ก็เพราะไอ้น้องเราเนี่ยมันเห็นแก็กินจึงถูกยาเบื่อยาเมาของท่านแต่เรายกมาในจึงเสียการถึงแม้ว่าไอ้น้องเรามันไม่เห็นแก็กินแล้วพี่แม้เราจะแพ้ท่าน เรายังไม่กลัวเกรงท่านหรอกืมอฮเบ่งเฮกขุนศึกผู้ไม่รู้จักกับคำว่าแพ้ไม่ยอมคงเบ่งก็หัวเราะแล้วก็จิงว่าเราจับได้ตัวก็ปล่อยไปถึงสามหนแล้วเป็นไรจึงยังไม่เกรงกลัวเราเบ่งเฮกก็นั่งนิ่งไม่โตตอประการใดผมเบ่งก็จิงว่า จะให้รับปล่อยไปอีกอย่างนั้นหรือเบ่งเฮกได้ยินอย่างนั้นก็ดีใจก็จริงว่าถ้าท่านปล่อยข้าพเจ้าไปครั้งนี้แล้วเนี่ย mm. ข้าพเจ้าจะเที่ยวไปบอกพี่น้องญาติกาเป่าร้องกันมาให้สิ้นแตาไม่ใช่มาเคารพมอบมายอมแพ้นะจะไปเป่าร้องให้สิ้นเลยจะมารบกับท่านถ้าแพ้ท่านจับตัวเราได้ทีนี้ละก็ เราจะเกรงกลัวท่านเบ่งเหตุก็บอกอย่างนี้ฟังดูเถิดคงเบ่งคงเบ่งก็จิว้วครั้งนี้ท่านจงไปร่ำเรียนวิชาความรู้มาให้มากแล้วก็พากันมารบกับเราถ้าแพ้เราจับได้ที่นี้แล้วเราจะไม่ปล่อยท่านเลยคงเบ่งว่าแล้วก็ฟังให้ท่านแก่มกัดเบ่งให้เบ่งนิ่งออกแล้วก็ปล่อยไป เบ่งเฮกเบ่งฮิวครั้งของเบ่งเฮกแก่มาออกแล้วนี่บัดนี้ค่อยคิดเกรงเขาแล้วก็กราบลงนี่ตอนนี้ยอมกราบกราบลงแล้วก็ลาไปคงเบ่งนั้นค่อยหทหารพาตัวเบ่งเฮกเบ่งฮิวไปลงเรือส่งข้ามฟากเบ่งเฮกเบ่งฮิวพกข้ามถึงฟากข้างนู้มแล้ว ก็เดินไปทีเดียวจะไปค่ายต้นนะ่ะก็ไปพบมาตายออกมาจัดแจงการอยุดคือ <c oughs> มาตายก็เอาดาบชี้หน้าทีเดียวว่าถ้าจับได้ตัวทีนี้จะไม่ปล่อยแล้วเบ่งเฮกเบ่งฮิวก็ไม่ตอบประการใดก้มมาเดินต่อไปครั้นไปถึงค่ายจะเข้าไปในค่ายก็ก็เห็นจูร ล, ลงคุมทหารเข้ามาอยู่ในค่ายนั้นจะแล้ว คือม้าได้ก็ไปยึดได้จูโลงก็ยึดได้จู่งก็ร้องประาวัติไปยังเบ่งเฮกเบ่งฮิวอีกว่ามาหาอุปราชนายเรานะ่ะมีคุณมกับท่านเปน็นนังหนาเหตุใดนะท่านมิรู้จักคุณเบ่งเฮกเบ่งฮิวเดฟังดังนั้นก็ไม่ตอบไม่รู้จะตอบอย่างไรก้มมารีบเดินไปเลยคือข่ายปนก็ถูกยึดหมดก็เดินไป ท่านไปถึงปากทางศอกเขาก็ เ, เห็นอุยเอียนคุมทหารสกัดอยู่นี่ก็ตกใจเพจราะถึงว่าบัดนี้เราก็ข้ามฝากรุกที่แดนมาถึงเพียงนี้แล้วเนี่ยคืออุยเอียนเนี่ยอุยเอียนก็ว่าว่าบัดนี้เราก็ข้ามฝากลุ ก, กมาถึงนี่แล้วเนี่ยถ้านี่จะโง่ไปถึงไหนจะต้องมารบกันอีกเราถ้าเราจับตัวได้ทีเนี้ยจะฟันให้เป็นร้อยท่อน อือุยเอียนสำทับอีกอย่างนี้เบ่งเฮกก็ไม่ได้ตอบประการใดก้มหันยุบยุดดเดินต่อไปฝ่ายของเบ่งครั้นปล่อยสองพี่น้องเบ่งเฮกเบ่งยิวไปแล้วเนี่ยของเบ่งก็ยกฐานข้ามมาจัดแจงอยู่ยังค่ายเบ่งเฮกครับ ก็มายึดค่ายเบงเฮกนี่แหละเพราะให้มาตายจูล่ลงมายึดไว้ก่อนแล้วนี่แล้วก็สร้างให้จัดแต่งโต๊ะเรียงดูทหารนายทัพนายกองทั้งตัวท่้นกินโต๊ะพร้อมกันแล้วของเบ่งก็จริงว่าเราคิดจะทนุบำรุงแผ่นดินพระเจ้าเราเสียเนเป็นสุขสื่อไปจึงต้องกระทําการดังนี้ทั้งทั้งตัวซึ่งรบเหมื่อย มีรู้ถึงการกระทาของเราก็จะน้อยใจเราว่าจับฆ่าศึกได้แล้วสิปล่อยไปเราเพราะเราเห็นเหตุว่าเบ้งเฮกนี้เป็นเจ้าเมืองบ้านนอกน้ำใจกระด้านนะผิดกับคนเมืองเราจนจับได้ตัวมาแล้วมันยังไม่ยอมสา ร, รภาพยังไม่ยอมแพ้ทีเดียวซึงปล่อยมันไปนั้นเราคิดให้มันกลัวเกรง ให้กลัวเกลงทั้งภายนอกและภายในเอาให้จมหนักก่อนเราจรึงจะยกทัพกลับไปได้ถ้าจะเอาแต่เพียงแค่พอชนะชนะร่นร่นแล้วก็กลับไปนั้นมันก็จะรังคว้าเราภายหลังเราจะยกทัพไปทาการด้วยพระเจ้าโจผีเราดีร้ายเบงเห ก, ก็จะยกทัพไปตีเมืองเราอีก คนจะละรลางละรวังในสุดท่านทั้งปวงจงอุตส่าห์รบให้เด่งเหตุรับแพ้แล้วเราจะได้เป็นถุกด้วยกันหกหลวงก็ต้องชี้แจงความจริงในใจออกมาให้กับเราวฐานทั้งวงได้รู้ได้ทราบเนี่ยว่าที่กระทำอย่างนี้เพราะอย่างนี้ฐานทั้งปวงได้ยินเท่านั้นต่างก็เห็นชอบด้วยเพราะจริงว่าสุดแต่ความคิดของมหาอุปราชท่านเถอด ขบเจ้าทั้งหลายทั้งปวงทั้งสิ้นนี้จะขออาสารบไปกว่าจะสิ้นชีวิตเันนวอย่วมเบ่งก็ต้องทำความเข้าใจกับอาหารของตนเองให้ได้เพราะมันเป็นสิ่งสำคัญออกที่นี่ข้างฝ่ายเบ่งเห็กเบ่งหิว้วเข้าค่ายก็ไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้ ก, ก้มหาเดินด้วยไปก็ายไปจนถึงเมือง นิ่งแขกในใจนะ่ะคิดแคนนะครับนี่ก็เป็นความจริงนะที่ของแบ่งประมาณน้ําใจเบ้งเฮ็กเบ่งหิวไว้แล้วเนี่ยมันจะต้องไม่ยอมแพ้หรอกเมื่อจะแพ้หรองให้สึเด็กขาดเนี่ยดูเถอะคิดแค้นค่อยบรรดาสถานเมืองขึ้นทั้งเก้าสิบสามหูเมืองเลยเรียกบรรดาหูเมืองขึ้นน้ำปวงเก้าสิบสามหเมืองเข้ามาพร้อมกันนี่มันอ๋องนี่ต้องเป็นเมืองใหญ่เมืองสําคัญ ที่มีเมืองขึ้นอยู่มากมายอย่างนี้เบ่งเฮกเรียกเมืองขึ้นทั้งปวงมาแล้วเด้คนตั้งสื้ทั้งหมดประมาณห้าสิบมืนนี่ห้าสิบมืนทีเดียวและนายฐหารนายกองทั้งปวงนั้นก็เข้าไปหาเบ่งเฮกกระทําคํานับตามธรรมเนีเนเเนยมเบ่งเฮกเบ่งฮิครั้งนายพับนายกองทั้งปวงมาพร้อมกันแวบก็คุมทหาร ยกมาตั้งอยู่ณริมแม่น้ำเสียงหยีเพื่อต้องการที่จะบทขยี้กองทัพของขงเบ้งแห่งเสียฉวนให้จงได้เป็นนัาเบ้งเหตุตอนนี้เกณฑ์ทัพวงสาคณายากมาสิ้นเลย เมืองขึ้นทั้งปวงเกมมาหมดห้าสิบมืนทีนี้กองระเวงกอง เ, อเองนเนื่อความเข้าไปบอกแก่คงเบ่งแล้วว่าเบ่งเฮ้ให้ฐานทั้งเก้าสิบสามหัวเมืองเป็นคนทั้งสิ้นห้าสิบมื่แล้วยกมาตั้งอยู่ริมแม่น้ําเสียงหยีคงเบ่งเด็กันนั่นก็หัวเราะแล้วก็จริงว่าคนทั้งปวงเยาวิตตกเลยเราจะใครใ่ยกมาให้มากกว่านี้อีก จะได้เห็นความดีเรานี่ขมเบงว่าอย่างนี้แล้วก็สั่งนหยทัพในกองทัวงจัดแกงยกทัพเรื่อนเข้าไปและวขงเบง น, นั้นก็ขึ้นเกวียนน้อยพาฐานแต่จำนวนร้อยหนึ่งยกนําทานไปก่อนครั้นไปถึงแม่น้ําเสียงหยีก็พอดีจูลง่งมาใต้อวีเอียนเตียวเอ็กคุมฐานยกมาถึงขมเบงก็เกณฑ์ฐานเหล่านี้ ให้เที่ยวตัดไม้จะทำแพลก็ไม่ได้ก็จึงถามลิขีผู้ชันมานภูมิประเทศบา่ามือแถบนี้ว่าเราจะข้ามนมา้บาักเนี้ก็ขัดสนนะเพิ่งจะคิดประการใดเนี่ยลิขีก็ตอบว่าบนภูเขาเหนือขึ้นไปเนี่ยมีไม้ไผ่อยู่เป็นอันมากเห็นพอจะทำสะพานข้ามฝาดได้ คเบ่งเดีวกวันนั้นก็เกณในฐานสามมืนไปตัดไม้ไผ่มาผูกแพรกว้างนิดเส้นหนึ่งนะทำเป็นสะพานแล้วก็ยกฐานข้ามฝาดไปถึงฝั่งกนุดให้ตั้งค่ายใหญ่สามค่ายทำประตูตรงสะพานนี่คงเบ่งยกทัพไปเลยทีนี้ฝ่ายเบ่งเห็กตั้งค่ายอยู่ข้างใต้น้ำ เห็นคงเบ่งยกข้ามฝากมาได้ก็คุมฐานส0มีนยกมาตีไข่ของเบ่งคงเบ่งเห็นเบ่งเหตุนั้นห่มเสื้อเนี่ยหนังแรกใส่หมวกแดงขีกระบีแดงมือซ้ายถือเขนเขนมีเป็นอาวุธอย่างหนึ่งนะมครับมือขวาถือดาบมีรักษณะอาวุธนี่แตกต่างออกไปแล้ว นี่มีเขนมีดาบนี่เบ่งเฮกมิกเทดิ์นะครับใส่เสื้อหนังแรกนี่เนี่ยเป็นเกราะกันกระสุนอย่างดีเลยทีเดียวขี่กระบือนะไม่ใช่ขี่มา้ายกฐานมาดังนั้นนี่ผมเป็นก็ยกฐานออกจากค่ายจะรบกับเบ่งเฮกละเบ่งเฮกก็รำเขนหรือว่ารำเพลงอาวุธถ้าจะกล่าวเป็นขั้นไฟของแผ่นดินจีนเนี่ย ก็จะต้องเรียกว่ารำเพลงทวนหรือเพลงงงาอ่ะทือี้เบ่งเฮกใช้เขนเป็นอาวุธนี่ก็รำเขนขับไร้ฐานให้รุกเข้ารบทีเดียวของเบ่งเห็นเบ่งเฮกรุกเข้ามานำมีดเป็นกระบวนทัพับกถอยฐานกลับเข้าค่ายให้ปิดประตูตั้งมั่นไว้ก่อนเออคือถ้าจะกล่าวไปแล้วการรบอย่างเบ่งเฮกนี้ก็ทาให้ขคเบ่งผุดจัด เกณตกอการสงครามนี่แหละยังไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกันเพราะทัพที่มันยกมานี่นิดได้เป็นขาบวนทัพก็ถอยปิดประตูค่ายเบงเฮ็กก็ส่งฐานเข้ามาร้องดาของเบงถึงหน้าค่ายฝ่ายฐานทั้งสวงใดนั้นก็โกรธเอาเนื้อความไปบอกของเบงว่าขาบาเจ้าจะขออาสาออกรบกับเบงเฮ็กแก้แค้นในจงได้ของเบงก็จริงว่าเบงเฮ็กนะ เป็นข้าศึกต่างประเทศท่วงทีก็หยาบช้าหาเป็นขบวนเหมือนเราไหมเราตั้งมั่นฟังกำลังดูก่อนเหมือนได้ทีประการใดอย่างไรแล้วจึงจะคิดอุบายเอาชายชนะให้จงได้ท่านทั้งปวงอ่ะอย่าเพิ่งดูหมิ่นแก่ข้าศึกจงช่วยกันป้องกันรักษาค่ายตั้งใจให้มั่นคงเถอะ นี่ลักษณะของขุนทัพผูดเจงสึกโดยแพ้ด้วยประการใดคงเบ่งชนะเบ่งเหตุร้ายครั้งร้ายครามแล้วแต่นี่คงเบ่งยังใช้คำพูดว่าท่านทั้งปวงอย่าพึ่งดูหมิ่นแก้ข่าสิเป็นอันว่าถามท่านปวงนั้นต่างก็รับคำคำมับราลุกออกไปตอนนี้เราก็ต้องกล่าวว่าคงเบ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะ ทำอย่างไรกับเบ่งเฮก ด, ด้วยการพูรบของเบ่งเฮกนี่นมันแตกต่างกระบวนยุติกันไปกับที่คงเบ่งเคยรบกันมามันไม่เป็นยุทธวิธีอย่างที่เคยรบกันนี่มึงก็ต้องดูกันก่อนฝ่ายเบ่งเฮกนั้นมีเดเห็นคงเบ่งเกรียมฐามาสู้รบนี่ก็ยกทัพกลับไปค่ายหยุดสามวันคงเบ่งก็เรียกจู่ลง e ่งอุยเอียนมากระซิบทีเดียว ว่าท่านจะคุมทหารข้ามวากไปตั้งอยู่ตรงหน้าค่ายเบงเฮกนะ่ะถ้าเห็นเราให้ลอยแพร่ลงไปเมื่อใดให้จู ร, งร่งตั้งค่ายให้เอาทงเทียบปักรวงไว้ไม่ค่ายจะมากเมื่อนั้นนี่โดยสัญญาณอย่างนี้ไม่กำหนดวันไม่กำหนดเวลาแต่กำหนดเอาวุธถ้าลอยแพร่ลงไปเมื่อไร่เห็นแพร่เมื่อไรแล้วก็ ให้ตั้งไข่เอาธงเทียวปากลวงให้มากแล้วใช้จูโลงยกข้ามฟ้าเข้ามาตั้งอยู่ในไขเ่เบ่งเฮกให้อุยเอียนข้ามไปตั้งซุ้มอยู่ในปา่าอ่าายขาวข้ามที่ดวนออกและขุดลุ่มให้จงมากเอาใบไม้ปิดทําเป็นกลนลวงไว้เราจะได้ทําการถนัดจูโลงอุยเอียน ต้งเรียกว่าสองฐานเสือคนสําคัญที่ขงเบงมีอยู่ก็กำมะปราขงเบงไปดําเนินการจัดการตามที่ขงเบงสั่งครั้นเวลาค่ําขงเบงก็เรียกมาใต้มาแล้วก็สั่งให้ทําแพรลอยลงไปและให้ออกไปตั้งซุ่มอยู่นอกค่ายทางทิศตะวันตกมาใตายก็กระทาตามคําสั่งคือทําแพรลอยแพรไป ของเบ่งให้จุดเพลินขึ้นในค่ายสว่างทั้งสมค่ายและให้เตียวเอ็กเตียวเอ็กออกไปตั้งซุ่มอยู่นอกค่ายข้างทิศเหนือส่วนตัวของเบ่ง น, นั้นยกออกไปตั้งอยู่นอกค่ายเช่นกันแหละฝ่ายเบ่งเฮกเบ่เฮกถอยฐานกลับมาค่ายร้ายวันแล้ว อเห็นของเบ่งตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นทําอะไรก็ไม่ได้เบ่งเหตนั้นก็ยกฐานมาเป็นอันมากทีเดียวจะปล้นค่ายของเบ้งละครั้งฐานกองหน้ายกมาถึงเห็นเพลิงในค่ายของเบ้งลุกสวางอยู่ทั้งสามค่ายอ่ะก็ไม่อาจจะยกเข้าปล้นได้ดไม่มรู้มันอะไรก็รเลตั้งอยู่เช่นั้นจนกระทั่งเชา้าจะยกมาปล้นค่ายเขา แต่แล้วไม่อาจจะปล้นได้ครั้งเบ่งเกยกมาถึงฐานกองหน้าก็กอไปแจ้งความมั่งปวงให้ฟังทุกประการ่ะพวกข้าพเจ้าได้มาถึงแล้วเห็นเพลินลุกอยู่ในค่ายนั่นนะ่ะก็จึงไม่อาจจะทําอะไรได้จนบัตรเนี้เนเดดยเบ่งเฮกเด็ยกฟังก็จึงคิดจินตนาโคงเบ่งยกทหารกลับไปแล้วเป็น ม, าม่านโค้งอ่ะเพลินนั่นน่ะเป็นด้วยแกลงจุดเพลินไว้ หวังจะให้เราสงสัยแล้วก็ยกทหารเข้าไปใกล้ที hmm. เบงเฮ็กสั่งเคลื่อพนพลเข้าไปใกล้ใกล้ค่ายอะก็เห็นค่ายของเบงเงียบสงัดอยู่ทั้งสามค่ายนี่ได้มีฐานอยู่พิทักรักษาเลยเบงเฮ็กก็จินว่าชะรอยของเบงคงจะต้องยกหนีเราไปแล้วเห็นจะทิ้งสเสบียงอาหารไว้เป็นอันมากเป็นแน่ เบ่งเฮกไวอย่างนี้เบ่งหิวน้องชายก็จริงว่าซึงว่าขงเบ่งจะทิ้งค่ายจะหนีไปนั้นนะข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยเลยอันการทั้งเนี้ยเห็นว่าขงเบ่งจะคิดกนอุบายไว้ลวงเราเบ่งหิวทวงขึ้นอย่างนี้เบ่งเฮ็กผู้พี่ก็จริงว่าเจ้าว่ามาเนี่ยเราไม่เห็นด้วยซึ่งว่าขงเบ่งทํำกลไว้ดังเนี้ยถ้ารอยสืบเมืองกันสังและเมืองฮูโต คงจะมาตีเสฉวนเป็นม่าคนคงนะผมเบ่งรู้เข้าใจนั้นเลยต้องรีบยกทัพกลับเป็นการด่วนอยู่จึงได้ทําอูบายไว้อย่างนี้หวังให้เราสงสัยเนี่ยเรายกติดตามไปได้ทันทีเท่านั้นแหละเทนี้จําเราจะต้องยกฐานตามไปให้ทันมาให้จงได้เบ่งเหตุประมาณเอาอย่างนี้แล้วก็แบ่งทหารให้เข้าขนสเสบียงในค่ายของเบ่งนี่แหละ แล้วก็ยกถามเรียบไปตามริมฝั่งหวังจะตามจับตัวของเบ้งอีกด้วยขาะอยู่ของเบ้งติดตามไปนั้นแหลมมาข้างฝา่ข้างนี้สิก็เดินค่ายกลขึ้นจูล่งตั้งไว้ชายป่าริ ม, ม่น้ำตามอุบายของของเบ้งปัปกธงเที่ยวอยู่เป็นอันมาก เบ้งเฮ็กเห็นค่ายนี้เข้าอย่างนี้ก็สำคัญว่านี่ค่ายที่คงเบ้งพัดอยู่เป็นแม่ก็เกินทหารแตเที่วตัดไม้จะผูกแพข้ามควาดละก็พอดีเกิดลมพายุขนาดนั้นคงเบ้งก็สั่งให้จุดเพลิงสัญญาณขึ้นทั้งสามด้านแล้วก็ใหทหารโหร้องตีมารอกองกองบกรบกำนำเบ้งเห็กเข้ามา เบ่งเห็กเห็ง น, นันก็ตกใจแต่แรกเห็นไม่มีกใครเลยบัดนี้ทหารท่านพวงรุมล้อมกระนําเอาเลินก็ลุกไปท่วมเบ่งเห็กอยู่บนหลังกระบื้อนั้นก็พาฐานฟันขวาออกจากที่ล้อมหนีกลับไปค่ายขณะนั้นจูรุง่งคือหลังจากสร้างค่ายกลไว้แล้ว ปิดธงทีว่าหลอกไว้แล้วเนี่ยก็ตามคําสั่งของเบ้งไงใหคข้ามฝากมาตั้งอยู่ในค่ายเบ้งเฮกคือหกหลวงประมาณการไว้เนี่ยครับแจ้งในผิดพลาดที่ให้จูร่องมาตั้งอยู่ในค่ายเบ้งเฮกเนี่ยก็เป็นขนาที่เบ้งเฮกนําทัพทั้งปวงไปตีค่ายของเบ้งสินี่แหละขณะดนั้นจูงข้ามฝากมาเข้ายึดค่ายเบ้งเฮกได้แต่ในตอนกลางคืนอะ่ะพบเห็นเบ้งเฮกพาฐานหนีกลับมา อยู่ลงก็ยกฐานออกมาคอยรับอยู่นอกค่ายเบ้งเฮกเห็นดังนั้นเอาค่ายของตนกลายเป็นของเขาไปแล้วก็ตกใจราวฐานเขาพลัดพร้อมนี้ก็หนีอ้อมไปทางทิศตะวันตกก็ไปยังที่ที่สึ่งมาใต้ซุ่มอยู่มาใต้ขวบมามาสา ก, กัดรบเบ้งเฮ็กสู้กันได้เก้าเพลงเบ้งเฮ็กก็จําต้องพาฐานหนีขึ้นไปทางทิศเหนือก็ไปถึงค่ายซึ่งของเบ้ง ให้เตียวเอ็กไปตั้งสกัดอยู่เตียวเอ็กก็ยกฐานออกมารบเป็นสามารถไม่ที่สุดจับตัวเบ้งฮิวได้จับตัวน้องชายได้ส่วนเบ้งเฮกนั้นก็พาฐานหนีไปทางตะวันออกไปถึงป่าอันรกชัดเจอรยวชายเขาที่อุยเอียนขุดหลุมดักไว้อีกนีหกลงวางแผนไว้เพราะทํามาในภูมิประเทศ ก็พอรู้ได้ว่าจะต้องหนีไปทางไหนหนีไปทางไหนควรจะทําอะไรเนี่ยคองเบ่งจึงวางแผนสกัดไว้ได้หมดเลยแม้แต่ให้อุยเยียนไปขุดหลุมไว้นี่ก็เถอะก็เพื่อที่จะจับตัวเบ่งเฮกนี่แหละเบ่งเฮกหนีมาถึงที่อุยเยียนขุดหลุมไว้นี่ยก็พบขอเบ่งขี่เกวียนน้อยพาฐานมาสกัดอยู่ของเบ่งก็ว่าเราะเยอยเบ่งเฮกและก็พูดว่าวันนี้เจ้าเบ่งเฮกเสียที่แก่ค่าซื้อ จะนีไปไหนเราเรามาคอยผ่าอยู่นานแล้วคมเบ่งพูดดังนี้เบ่งเหตุก็โกรธก็ว่าแกทหารบอกว่าไอคนนี้แหละที่มันทํำกลวงให้เราเสียทีได้รับความแค้นมาถึงสามครั้งแล้วให้ทหารเราทุกคนเร่งเขารบฆ้าฟันมันให้ละเอียดให้จงได้แล้วเบ่งก็พาถามไล่รุกเข้าไปด้วยโทโส นี่ด้วยโทโซก็คือโทสะมันก็ไม่เห็นอะไรแล้วเห็นแต่ขงเบ่งมึงตะลุยจะไปเอาตัวขงเบ่งให้ได้แต่ฝาบขงเบ้งรายละเอียดก็ไม่ได้ไปนิพิเคราะห์หลุมหลุมที่อุยเอ๋นขุดเข้าไว้ก็ตกลงไปในหลุมขงเบ่งนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรขับเกวียนน้อยรีบกลับค่าย อ, อุยเอ๋นทุ่มๆอยู่นั่นสิก็โยถายมาประมาณร้อยหนึ่ง จับเบ่งเฮกได้ก็มัดเอาตัวมาเมื่อขมเบ่งกลับมาถึงค่ายนะ่ะเปรียดความฐานเบ่งเฮกได้เป็นทันมากขเบ่งก็ใหเรียงดูฐานน้ำพวงเรานั้นเหมือนอย่างที่ทําแล้วนั่นแหละเรียงดูอย่างดีแล้วก็จริงว่าพวกท่านทั้งนี้จะสมัครอยู่ด้วยเราก็ตามนะหรือจะกลับไปเมืองไปบ้านไปเมืองท่านก็ตามเถอะ ทหารทั้งปูเลยฟั้วก็ยินดีกราบลงกับตีนขอบพายไม่ได้พูดคําหยาบนะครับอันนี้ลงชับไว้อย่างนี้เลยกราบลงกับตีนแล้วลาไปไปทหารรอานี้ไปก็พอดีเตียวเอกมดตัวเบ้งฮิวไม่แก่คงเบ้งคงเบ้งก็มาแกเบ้งฮิวว่ะพี่ท่านนะกระทาผิดเราจับตัวได้ถึงสามครั้งแล้ว ท่านเป็นน้องควรจะช่วยเตือนสติว่ากล่าวเหตุใดจึงคบคิดกันมาทำสุด ก, กับเราอีกรอบบักเนี้ยเราก็จับได้เป็นสี่ครั้งเข้านี่แล้วท่านจะแลดูหน้าผู้คนคือไปกระไรได้เบ่งหิวเด็ดฟางนั้นก็กราบลงกับเท้าแล้วก็พูดว่าโทษกรรมเจ้าครั้งนี้ก็ถึงสึ้นชีวิตแล้ว ท่านจงโปรยให้ชีวิตเข้ามาเจ้าอีกครั้งหนึ่งเถอะเบ่งฮิวนะร้องขอชีวิตเลยคนเบ่งก็จึงพูดว่าชีวิตท่านเน่ยอยู่ในเงื้อมือเราใช่จะฆ่าท่านได้แต่วันนี้ก็หาไม่ได้ท่านจะขอชีวิตอีกครั้งหนึ่งก็ต า, ามเถอะแต่เมื่อกลับไปแล้วอย่าได้คิดอ่านกับตจงคิดอ่านกับพี่ชายจงดีอย่าได้ยกมารกกับเราอีก แล้วก็สั่งถามให้แก่มัดเบ่งหิวแล้วก็ปล่อยไปพอเบ่งหิวลุกไปเท่านั้นแหละอุ้ยเอียนก็เอาตัวเบ่งเฮกมัดเข้ามาคงเบ่งเห็นหนาเบ่งเฮกก็ ท, ทําโกรธทีเดียวก็จิงว่าเราปล่อยตัวถึงสามครั้งแล้วมีรู้จักบุญคุณปรับยกมาทำํำศึกกับเราอีกเราและบัดนี้เราก็จับตัวได้อีกแค่ น, นี้ตัวจะว่าประการใดต่อไปเล่าเบ่งเฮก พ็จริงว่าเราทำศึกเสียทีแก่ท่านมาทัางนี้ก็เพราะท่านทำกลอุบายล่อลวงเราต่างๆจึงจับตัวเราได้ตัวเราถึงตายนับบักนี้ก็ยังเสียดายชีวิตเรานักอยู่นี่ฟันเขาเขาพูดเขาตายเดี๋ยวนี้ก็ยังเสียดายชีวิตอยู่เพราะยังทำการกับท่านเนี่ยหาเต็มมือใหม่ นี่เบ่งเหตกบอกอย่างนี้นะเสียดายชีวิตเสนาเพื่อเหว่าสู้รบกันยังไม่เต็มฝีมือเลยผมไม่ ง, งในฝันก็แกล้งสั่งทหารแถ่้เอาตัวเองให้ไปฆ่าเสียละเด่งเห็กผู้ไม่หวาดหวั่นต่อความตายไม่ครั่งไม่ขรั่งไม่เกรงไม่ครันไม่ขรั่งประการใดเลยไม่มีเลยสีนหน้าปกติไม่มีอะไรผิดแปลก พร้อมที่จะตายในทุกขณะคงเบ่งเห็นอย่างนั้นเข้าเนี่ยคือทหารฉุดฆ้าตัวไปจะประหารเนี่ยเบ่งเหกลับไม่มีความข้นครามอย่างใดเลยคงเบ่งก็ต้องคิดทีวว่จะเบ่งเหกคนนี้น้ำใจเยี่ยมหานะเราจะฆ่าเสนบัดรนี้ราชดอนชาวเมืองทั้งหลายเหล่านี้ก็จะกระจัดกระจายกันไป เราใท้เบ่งเค็กเนี่ยสิ้ฝีมือรบกับเราให้สิ้งฝีมือยอมแพ้เราให้จงได้ให้เอาเมืองมาเป็นเมืองขึ้นแก่เราให้ได้นั่นแหละต้องเอาชมะให้เด็กขาดก่อนจึงจะได้ผมเบ่งคิดดีก็จริงสั่งทหารไม่ประหารให้แก้มัดเบ่เองให้กออกแล้วก็ผูดจ่าปลอบเอาใจให้กินสุรา แล้วก็วัดจับท่านได้เนี่ยถึงสี่ครั้งแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ทําอันตรายไมตรีเราก็มีอยู่กับท่านเป็นอันมากเหตุฉันไหนอ่ะท่านจึงไม่ยอมอ่อนน้อมต่อเราบ้างผมทำเคยอีกแล้วจันโตตัวผมเบงเลยเกิดทำยังเคยอีกแล้วจันโต๊ะตัวอาหารมาวิียนดู เสร็จแล้วก็ผุดผูดจ้าพากอกเอาใจกันบางต า, ามสมควรวะแล้วก็กล่าวว่จาจะจับท่านมาได้ถึงสีครั้งนี่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำมันจะลายไมตรีเราก็มีอยู่กับท่านเป็นอันมากเหตุไนท่านที่ไม่อ่อนน้อมต่อเราบ้างนี่ผมได้กล่าวอย่างนี้ เรีกกอย่นงไรก็เรียกเอาเถอะเึ่งเหตุก็จริงว่าเรากับท่านเป็นคนต่างแดนผิดภาษากันคนละประเทศซึ่งจะสมัครอ่อนน้อมต่อท่านนั้นไม่ชอบนี่เบ่งเหตุววาอย่างนี้และกล่าวต่อไปว่าเพราะท่านชำมานแต่กลมอุบายฝ่ายเดียว หาได้เอาธรมะเราด้วยฝึกมือมไหมเบ่เงเหตุตอบอย่างเนี้ยผมเบ่งก็รอรอเราก็คิดว่าบับนี้เราจะปล่อยท่านไปอีกท่านจะคิดทำศึกต่อไปหรือไม่เบ่เงเหตุก็จึงตอบว่าแม้ท่านมีคุณปล่อยข้าราชกาไปครั้งนี้ข้าราชกาก็ตั้งใจจะส น, นองคุณท่านนีไ่ได้คิดทําการฝึกฝึกไป เบงเฮ้ยค่อยออนลงทีเดียวขนเบ่งก็จิตว่าท่านไปแล้วนะ่ะให้คิดมากคิดหวังได้จงดีเบ่งเฮ้ยก็มีความดีๆ น, นะกรับเรยว่าขมเบ่งปล่อยละก็ลาขนเบ่งแล้วก็ลาออกไปก็พาฐานของตัวประมาณพันไปทางข้างทิกเหนือเลยทีเดียว เบงเฮ็กเลือเป็นอิสระแล้วก็ไปพบกับเ่งยิในตอนเช้าเ่งยิวุมทหารยกมาเ่งยิก็บอกกับเบงเฮ็กว่าเขาไปเจอว่าคิดว่าหขงเบงจะฆ่าพี่กลแล้วเขาเจอจึองซ่งซุ่มผู้ขนทหารได้เป็ น, นั้นมากยกกลับมาหวังจะแก้แค้นขงเบงเบงเฮ็กได้ฟังแล้วก็จึงคิดน้วยใจตนเองนี่แหละ ว่าทำไมจึงเอาชนะคงเบ่งไม่ได้สักทีก็กอดน้องชายแล้วก็ร้องไห้แล้วก็จินว่าแต่เราทําฝึกมาก็เสียทีคงเบ่งทุกครั้งจนหมดสิ้นกําลังและความคิดเราแล้วเราจะทําประการใดดีอ่ะจินจะได้ใช้ชนะแก่คงเบ่งบ้างเด่งเล็กกล่าวอย่างนี้มันก็สแสดงว่าเบ่งเล็กไม่ใช่จะไม่สู้ไม่ใช่จะไม่รบ พี่ยไม่รู้จะรบอย่างไรเท่านั้นเองน่จะทำอย่างไรดีคือเบ่งเฮ็กจะรบอีกอะ่ะทั้งทก่อนที่จะออกมาจากของเบ่งนี่เบ่งเฮ็ก็บอกแล้วว่าก็าไปจะตั้งใจจะสมองคุณพัฒน์ม่ได้คิดทำการฝึกษาไปแต่เห็นว่าเกมพี่น้องมาหมดแล้วโว้เมืองขึ้นมันสึ้นก็เกมมาหมดรบจนหมดก็จนแพ้อีกแล้วพี่คว่าทํายังไงจะชนะของเบ่งเบ่งพี่น้องก็จริงว่า ขอให้พี่ท่า น, นียพาทหารขึ้นไปอาศัยอยู่กับโตสู่ตายข อ, องมนะเขาอินปองสันด้วยหนะ้าที่นั้นนะเป็นที่สำคัญชอกกลเป็นภูเขาที่เป็นชายภูมิอันมีภูเขาเป็นกำแพงล้อมรอบและในนั้นก็เป็นค่ายแล้วก็เป็นที่ร้อน ถ้าเราตั้งมั่นได้ในุกเขาอินปองสั น, น, นถึงคเงเบ่งเห็นว่าเราไม่อ่อนน้อมจะยกไปติดตามก็จะต้องเสียทีแก่เราเป็นมั่นคงเบ่งฮิวพี่น้องแนะนำแกได้ให้ผู้พี่ขึ้นชั้นคือเพรว่าไม่สู้ก็นี้ได้แต่เป็นการถอยไปตั้งหลักที่จะสู้แหละคือไม่อ่อนน้อมหนึ่งก็แปล ว, ว่าสู้แล้ว เบงเฮ็กเบงฟนดังก็เห็นชอบด้วยทีเดียวเขาพากันยกทหารเท่าที่มีเนี่ยไปถึงเขาอินปองสันและให้เบงยูขึ้นไปหาทผนโตู้สู่ใต่ห้องก่อนเป็นการคำนับกันก่อนวัดจะมาขอสายอยู่ที่โต๊ะสู่ใต่ของรู้ดังนั้นก่อมาราบบับเบงเฮ็กเข้าไปในค่ายคำนับกันตามธรรมเนียมและเบงเฮ็กก็เราเนื้อความทั้งตัวที่เด็กสู่กับของเบงมาหาอุปราเห็นมึเงเสฉวน ให่แกโตสู่ใต่ของฟั ง, าา ง, ฟ ง, ท, งทุ้ประการโตสู่แายของฝากความบางสิ่งแล้วก็จึงว่าบัดเนี้น่ยท่านจะต้องวิตกไปเลยผาฐานของเบ่งยกตามาถึงที่อันนี้แต่สักคนหนึ่งก็ะจะไม่ให้เหลือกลับไปได้เลยถึงของเบ้งก็จะขึ้นชีวิตอยู่กับที่นี้นี่โตสุดแต่องกล่าวดังนี้เบ่งเล็กเบ็ดฟังนี้ก็มีความยินดีนะ ก็ถามว่าท่านจะทำกลอุบายประการใดเต้สู่ใต้อองก็จริงว่าเขาอินจองสังเนี่ยมีทางจำเพาะที่จะเข้ามาได้ก็ทางที่ตะวันออกซึท่านได้มานั่นแหละทางนั้นแหละน้ำกินก็มีบริบูรณ์แต่ว่าเป็นทางแคบแล้วก็ลุ่มไปก้อนทีละต้นไม้ใหญ่ขาเจาจะเล่นต้นไม้ ขนก้อนตีลาอามาทับทางยังเสียให้สิ้นนี่ขนหนึ่งยกขึ้นมาได้แม้ว่าจะย้ายไปเดินทางข้างทิศตะวันตกหรือมันก็เป็นทางกันดารขับแคบอีกข้งมีรไรอัศวพิษชุนนะถ้าพ่อจะเดินได้ก็ต้องมีเวลาตะวันบ่ายเท่านั้นจะเดินทางได้เฉพาะตอนบ่ายเท่านั้นครั้นเวลาพบข้ามแล้ว จากสารพิษงูร้ายต่างหลายก็จอกเที่ยวเป็น่านอยุดจนกระทั่งถึงเวลาตะวันเที่ยง ม, มีก็จะเป็นอันตรายแก่เราทานั้ำพงที่จะมาทางนั้นอีกระดับมันก็ขัดถมดน้ําำเพาะมีก็มีแต่น้ําร้ายอันเป็นพิษสีลําพานด้วยกันทานหนึ่งลรำพานที่หนึ่งชื่อวะแอสวนถ้าแม้ผูดด้ใดไม่ทันรู้ตากมาดื่มกินเข้าไปก็จะเป็นใบ ถึงกำหนดเจ็ดวันก็จะตายนี่ลำพันธที่หนึ่งลำพันธที่สอที่เบียดสวนน้ําในพันธ์นั้นร้อนแม้ลงอาบและกินก็จะพุพองเตลยพนัน์ไปจนถึงกระดูกเลยคนนี้ต้องกล่าวล็อกว่ากี่วันตายลำพันธที่สามที่เห็ดสว น, นน้ําในลำพันธนี้สีดําถ้าผู้ใดลงอาบลงกินแล้วเนี่ย ก็จะนำไปทั้งตัวเหมือนถูกไฟไหม้แล้วก็จเจ็บตั ว, วเมื่อ้าเป็นกังจนกระทั่งขาดใจตายนี่หนักเข้าไปอีกเลยลำพานที่สี่ที่ว่ายิ้มเสวนมามันเย็นสีขาวแต่ถ้าผู้ใดตักมาอาบกินปกถึงลำคอเท่านั้นแหละจะขาดใจตายทันทีนี่ลำพานทั้งสี่นี่ มีความร้ายหนักหนักหนั ก, นกทีละขั้นละขั้นเป็นขั้นเป็นปอนกันมาอย่างนี้สี่ขั้นสี่ปอนสี่สี่ลํำพานและทางนั้นก็เงียบสงบนี่ได้มีสิงสัตว์นกหกแต่ประการใดกว่าหา่ได้พอพ้นลํำพานนั้นขึ้นมาถว่าวพ้นลํำพานทั้งสี่นั้นมาได้ก็จะถึงแดนมืร้ายอสราพิษมากมายนกะแต่เมื่อครั้งกระจ้า หันบงเตะแต่จะสมบัตินั้นมาเอื้อนนายทหารยกกองทัพไปตีเมืองเกาเลียมาเอื้อนนี่มีสติปัญญารักแรงรู้การพันธุตวงไม่ได้มีผู้ใดเสมอจึงพาทหารเดิน ม, มาทางนี้มีผู้อื่นนอกกว่ามาเอื้อนแล้วน่ะคนไมไ่เคยมีผู้ใดเดิมมาทางนี้เลยเป็นอันขาด ตัวผู้แต่งของที่จะให้ฟังอย่างนี้แล้วก็เรื่องมาเอื้อมเนี่ยเป็นเรื่องราวที่มีอยู่ในเรื่องปังสินคือเมื่อพระเจ้าหันกองบ่าตั้งแต่พระเจ้าหันกองบุษยังยังไม่ได้เป็นเกษัตริย์นะยกทัพทหารมาทางนี้ตัวผู้แต่องกล่าวต่อไปว่าแม้ขงเบ้งยกทหารมาทางตะ ว, วันออก เห็เราตัดไม้ขนก้อนศิลาทัพทางนั่นเสร็จแล้วเนี่ยมาทางตะวันออกนี้ได้ก็จจำจะต้องพาทหารมาทางทิศตะวันตกก็มาทางอันร้ายนี่นะสิแม้ฐานของเบ้งจะยกมาสักร้อยหมืนก็จะตายด้วยน้ําร้ายในลําพานทั้งสี่นั่นเสิถึงตัวของเบ่นเจ้าความคิดท่าทนทํากลอุบาย ก็เห็นจะไม่รอดชีวิตกลับคืนไปได้โตขู่ตายอองแห่งเขาอินปองสันล่าวที่แกงจะเด่นฮิดนด่งอยู่ฟังอย่างนี้ของพี่น้องสิ่งหนึ่งมั น, มนอ๋องเด็กฝานี้ก็มีความยินดีนักที่เดียยงทีงว่าซึ่งท่านให้กระาเจ้าอาศัยอยู่นี้หาคุณที่สุดนี้ได้แล้วเลยเห็นว่าคงเด่ง จะต้องเป็นอันตรายเป็นเมื่นคงโตสู่ตใยออกมันกะโฟนเบ่งเฮกเบ่งฮิวอะขอให้ท่านอยู่เป็นสุกเทิดแล้วก็แต่งโตกรามาริ้งูกันเป็นอันวมนี้ได้ขาดละ เรืงบังลัดฝายคนเบ่งครั้นเบ่เฮ็กไปแล้วเนี่ยก็คอยอยู่เป็นหลายวันก็เบ่งเฮ็กบอกว่าไม่สู้แล้วจะยอมแพ้แล้วนี่คนเป็นก็คอยคอยการมาคำนับการมายอมแพ้การเอามืองมาออกมาขึ้นเนี่ยคอยอยู่หลายวันก็ไม่เห็นเบ่งเวกลับมาคำนับเลยก็รู้ว่าเบ่งเฮ็กเนี่ยคิดคดนิ่งได้สมัคร ม, ม, มัน อดีตความจีงแล้วของเบงก็ยกฐานออกจากข่ายรีดตามไปทางเหนือแหละพอไปถึงกลาผ่านก็หยุดตั้งขายอยู่ทหารไปสืบข่าวว่าเบงเฮ็กไปตั้งยึดทีได้ที่ไหมนกับคนใดทหารก็ไปฝึกก็กลับมาบอกว่าบงเฮกคุมทหารเข้าไปตั้งอยู่ในเขาอินตองสันแล้วแล้วก็ตัดต้นไม้ แต่ลมปิดทางขมก้อนทีรามาผมทับทางไว้เป็นมั่นคงแล้วเห็นทหารรักษาหยุดเป็นอันมากถึงเราจะยกติดตามไปก็เห็นจะขัดสมมี่ทางก็มารายงานอย่างนี้ผมเบ่งเด็กฟังก็ถามวิขีผู้นำทางทีเดียวว่าทางที่จะเข้าไปเขาอินตองสันเนี่ยมีเนพาดทางเดียวอย่างนี้หนระือ มีเฉพาะทางเดียวที่จะเข้าไปทางนี้เท่านั้นหรือหรือจะมีทางอืงอ่นอยู่บ้างลิขีผูระมาณผู้นประเทศพิมแถบนี้ก็จริงว่าอันเขาอินฟองสั่งเนี่ยเข้าไปเจ้าไม่เคยไปมาเลยจะเป็นประการใดอย่างไรก็มิได้แจ้งแต่ได้ยินว่ามีทางอยู่เอาลิขีก็ตอบแบบนี้ผมไม่เหล็กปั้นแบนี้ก็จัดแจงทหารจะยกตามไป เียวเอื้อมนายทหารผู้หนุ่มก็จึงมาพูดว่ายกมาทำการครั้งนี้ก็ได้ท่วงทีจกักตัวเบ่งเฮกได้ถึงสี่ครั้งเบ่งเฮกก็ขยาดฝีมือกลัวเรานะอยู่เห็นจะไม่อาจยกฐานมารบพุ่งติดตามเราหรอกและบักนี้ก็เป็นรุ่ดูร้อนาหารเราก็ได้รับความลำบากอิดโรยกำลังลงแล้วขอให้มหากราดท่านยกทัพกลับไปึงเสฉวนก่อนเถอะ เดี่ยเอื้อเข้ามากล่าวดังนี้บอกว่าให้ยกกลับไปเมืองเฉลิวนก่อนเถอะฟังข่าวเบ้งเฮ็ดดูถ้ายังทําการเหมือนผหลังเราจรึงค่อยยกกลับมาจับตัวให้จงได้เดี่ยวเอื้องวันนี้ผมเบ้งเด็กฟังก็จริงว่าบางนี้เบ้งเฮ็ดหนักตกว่เราต้องหนีเข้าไปซ่อนอยู่ในที่อังกันบานแค่นั้น แม้เรายกกลับไปเนี่ยเบ่งเ็ก็จะได้พียกออกมาตั้งตัวทําการถนัดเท่านี้แหละจําที่เราจะต้องยกติดตามไปจับเอาตัวให้ได้ในเวลาที่เราบอกแชมป์อีกจะนี้น จ, จะชอ็อคถ้าปล่อยทิ้งไว้มีกําลังแล้วจะปราบปรามได้ยากผมเบ่งหว่านนิดแล้วก็จัดกันให้อ้องเป่งคุณหารร้อยนึงไปเที่ยวซื้อทายดูกว่า ปองเป่ก็คบคามาปลาโงงเบ่งไปสื้อพานละไปถึงปากทางทิปตะวันตกนี่ที่มีทางเข้าอีกทางนึงอันเป็นพานที่จะเข้าไปสู่เขาอินปองสันทหารตั้งตัวนะกระหายน้ำยิ่งนะมื่อมีลําพานน้ำนี่ก็ลําพานแอส์วนนึ่งไงก็ชวนกันไปกินน้ําในลําพานแอร์สนนวนส น, น, น, น, สนั่นแหละลําพานที่หนึ่งนะ่ะ พอน้ำตกถึงลําคอดื่มกินเข้าไปแล้วท้าเรเหล่านั้นก็เป็นไหม้กันสิ้นปองเป่งเห็นัย่างนี้นก็ตกใจก็พาทหานเหล่านั้นกลับมาหาคนไบ้งแย่งยืมความบ้างพวกเลยทราบระเอาเราเดินทางไปจนถึง่านเข้าแล้ว เ, าาเราไปเจอเอิญทานน้าก็ดีทหานเหล่านี้กว่าหายน้ำหนิงนะดื่มกินน้ํำกาไปก็กลายเป็นไหม้โดยหมดอย่างนี้ ผมเอนก็ตกใจทีเดียวก็จริงว่าเมื่อในลำพานเป็นเหตุชนิดที่จะเป็นโอนของเม่งเหตุใส่ยาเบื่อไว้นี่จะเป็นอาการใดก็ดีเด็กจแย่จำเราจะต้องไปดูให้ประจักษ์ก่อนและผมเ่งก็ขึ้นเกลียนน้อยพาฐานคนสนิทเพียงสิบคนไปกับองเต๋อแหละองเต๋อไปมาก่อนแล้วนี่ ค้นไปถึงทางเข้าเข า, ขาอินปองสันตังทิศตะวันตกน่ะของเบ่งพิเคราะห์ดูมาในรำพานนั้นน่ะดูใสมะแหลมไม่เห็นดินเลยและก็เล็ยบเงียบไม่เดินสันไไดไ ป, ปามาแต่ประการใดอย่างไรเลยของบ่งก็คิดสงสัยก็ขึ้นไปเดนเดินหลังร่องพานน่ะก็ได้แลเห็นสารเทพรักเก่ามีอยู่ในที่อันรกชัดทีเดียว ต้นไม้ขึ้นปกคลุมไปหมดผงเบงก็เหนียรังเขาวันป่าปีนขึ้นไปบนศาลนั้นกนได้เห็นศาลนั้นทำด้วยศิลามีรูปเกภารัตอยู่องค์หนึ่งขงเบงพิเคราะห์ดูเห็นอักษรจารึกอยู่ที่แผ่นศิลาเป็นใจความว่าครั้งพระเจ้าหั่นเบงเตได้รับสมบัติมาเอื้อนคนนี้ พาทหารมาทางนี้ได้ออามิเตยนะักฝรจาริกินีคนเบื่อเห็นเชนี้ก็ดีใจละก็ขมับกราบลงแล้วก็ถึงกับตัวขา้าไเจ้าคนเบื่นี้ถือความศักดิ์ตั้งใจจะทะลุบำรุงเชื้อ ว, วงพระเจ้าหันเบ่งเตยบัดนี้รับสันเจ้าของขา้าพเจ้าซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ คือเหล่าเซียนกฤชวงหั่นเนี่ยให้ขบเจ้ามาปราบฆ่าศึก ต, ต่างประเทศสำเร็จแล้วก็จะกลับไปรบเอาเมืองกันตังเมืองูโตเชื้อเชิญพระเจงพกระเจ้าหั่นเบงเต้ขึ้นครองราชสมบัติสืบไปขพเจ้ามาถึงตำบลนี้ไม่ได้แจ้งเหตุผลประการใดทหารลงกินน้ำในลำธารก็วิตกฤตเป็นไม้ไปซึ นเพื่อนเจ้เนตตาข้าพเจ้าคิดถึงคุณพระเจ้าหันเบงเตขอเชิญท่านไปช่วยแนะนําให้กติปัญญาแกข้าพเจ้าด้วย น, นี่ผมเล่นกล่าวดังนี้ก็คำนบับแล้วก็ถอยออกมา่ารานีของดึงไปเจอสานเทพ ร, รักขอยังนี้รู้ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็เอาราโกเบกว่าบอกกล่าวนะบอกกล่า ว, ว, อาวขอร้อง ถ้าช่วยแนะนำาแต่สติปัญญาด้วยเนี่ยเพราะผมเบ่งบอกกล่าวจบคำนับถอยออกมาก็เห็นคนแก่ถือไม้เทา้าเดินออกมาทางริมเนินลุ่มผมเบ่งก็มีความยินดีก็ร้องเิอได้ขึ้นนั่งบนศาลแล้วก็คำนับเป็นตามธรรมเนืน่องและผมเบ่งก็ถามว่าท่านนี้ชื่ออะไรแซ่ใด มีโคเบ้ถามแบบนี้คนแก่พู้นั้นคือมาเอี่ยมเพพ า, า่ะก็ทําเป็นไม่ได้ยินที่ของไบ้ถามที่ใดแท่ใดนี่ทาเป็นอย่างนั้นแต่กลับพูดว่าตัวเขาไปเจอคนแก่นี้เดี๋ยยินกิติดศัพ์มาก็ช้านานว่ามหาอุปราช มีน้ำใจฝัตย์คือโอบออมอารีแกระะ่รัษดรบัด น, นี้ข้าพเจ้าเห็นท่านม า, าก็มีความยินดีจึงมาคำ ม, มับท่านคุณแก่คุณปอบดังนี้พูดยังไม่บอกชื่อบอกแท้ผมเ็นก็ถามว่าท่านเป็นใหญ่ในตำบล น, นี้เนี่ยยังรู้บ้างหรือไม่ว่าน้ำในลำรารเนี่ยเป็นเหตุผลคนใดประการใดอย่างไรอ่ะทหารข้าพเจ้ากินเข้าไปแล้วจึงเป็นใบ้ มะเอื่อเทพารักษ์นันก็จป็นบอกว่ามะเมรำพานซึ่งทหารท่านกินกันไปเนี่ยที่รำพานแอสวนดื่มกินมะเมรำพานนี้ก็ไปแล้วทำให้เจรจาไม่ออกคือเป็นใบถึงกำหนดเจ็ดวันก็จะตายและยังมีรำพานร้ายอย่างนี้เรียงต่อๆกันเข้าไปอีกถึงสามลำพาน ลำพานนึ่น้ำเย็นถ้าผู้ใดกินเข้าไปนี่ยกถึงคอก็ขาดใจตายทันทีลำพานนึ่งน้ำดำถ้าผู้ใดอาบกินก็จะดำไปทั้งตัวเจ็บปวดวรวดร้าวจนขาดใจตายอีกลำพานนึน้ำร้อนผู้ใดอาบกินก็จะร้อนตัวเลียเน่าไปทั้งตัวจนถึงกระดูกถึงแก่ความตายน้ำในลำพานทั้งสีนี้ ล้วนแต่เป็นน้ำร้ายทั้งสิ้นแล้วก็มีหมอกขึ้นมาจากลำพานแต่เช้าจนเวลาเที่ยงแม้ผู้ใดเดินไปมาในเวลานี้ต้องไอหมอกจากน้านในลำพานเข้าพ่ำนั้นก็ใช่เจ็บไข้ไปจนตายโอคน<ผ>มเบ่งเด็ควังนั้นก็จริงว่าถ้ากละนั้นไหนเราจะปราบปรามเบ่งเฮหตดด้สมความคิดเราเมื่อเบ่งเห็ุยังเป็นศัตรูอยู่ ก็จะเป็นขึกกระหนาบหลังเสฉวนเห็นเราจะไปตีเอามืนหูเตอมือกัรสังไม่ได้ตัวเราเป็นคนอาภัพมีได้บำมบงพระเจ้าเหียนเตกอยูแล้วก็จะตายก็ดีกว่าขุบเมงรำพันดังนี้มาเอื่องเทพาะนั่นก็จึงว่ามหาอุปราชยาวิโตกเลยข้าพเจ้าจะบอกยาซึ่งแก่น้ำเบือเมานี่ให้ขุนเมงก็จึงว่า ผู้เฒ่าสูงอายุแม้เรื่องประการใดอย่างไรก็เดินเนมตตาแนะนำสั่งสอนข้าพเจ้าเบสท์มาอืวนเทรั ก, กจิวัตรเขาสั่งซกอยู่ท้งทตะ ว, วันตกไกลาจากเขาอินตองสันนี่ไปประมาณแ0 0อเส้นแล้วข้ามภูเขาสั่งซกต่อไปีก20เส้นก็จะถึงแม่ น, าน้าบ่งอ๋ง มีคนอยู่ในที่นั้นชื่อเบงเกียติกลุเรียนอยู่ในแม่น้ำนนมานกว่าสิบปีแล้วหลังเรืองเบ่งเกียดตนั้นมีทานน้ำชื่อว่าอ ok ันลกจัวไหลลงมาตามแม่น้าบางอันแม้ผู้ใดเป็นโรคได้อาบได้กินน้ำแม่รำพนันอันลกบจวนั้นก็จะหาย หน้าเรือนของเด่งเกียดนั้นมีต้นไม้หอมชื่อหุยเหียบอยู่เป็นอันมากถึงแม้ว่าผูดด้ใดจะกินนม้มและอาบน้ามร้ายกันสื่ลังพันนี้ได้ใบไม้นั้นมาใส่ปากแต่ใบหนึ่งก็จะแก้ผิดมันได้แม้มหาตลาดจะใครเข้าไปในเมืองอินตองสันให้ได้ก็เร่งไปเก็บเอายานั้นมาเถิด เทพารัมาอ้วนในร่างของท่านผู้เ่าบอกกล่าวให้ชจ้านี้นงเบ่งก็มีความยินดีขมับกราบแล้วก็ถามซ้ำอีกแหละว่าท่านนี้ชื่ออันใดแท้อันใดเบ่บอกข้าพเจ้าแจ้งด้วยเมื่อเสร็จราชการแล้วจะกลับมาแทนคุณท่านชายชาราผู้นั้นคือมาอ้วนนั่นแหละได้ฟังดังนั้นก็ขึ้นไปบนฝานนั่งบนแท่น แล้วบอกว่าตัวเราคือมาอ้วนแล้วร่างชายชารานั่นก็หายไปผนเบ่งก็จตกชัดเะ น, นเห็ือนยันนั้นก็มีความยินดีนะก็คำนดกราบร้มกับพี่นั้นแล้วก็ลงมาจากสารขึ้นเกวียนน้อยกลับมายังค่ายละครั้งเวลาเช้าคนเบ่งก็ชวนองคเป็ง ปต่หานน้ำพวงที่ก้นใบนั่นแหละเฮ้รีไปเก็บยาตามคำที่เทพระมาเอียบอกกล่าวให้ล่ะก็ไปยังเขาสันซกข้ามเขาสันซกไปอีกยี่สิบเส้นก็เห็นต้นไม้ใหญ่ริมลำธาร ม, มีตันนันมากแล้วก็มีเรือนอยู่ในป่าไม้นั้นประมาณสิบหลังคารวนผมได้เห็นเด็กคนนึงเดินออกมาก็ดีใจผมเองก็เดินเข้าไป ก็ผดีเบ่งเกียดผมเสื้อขาวใส่หมวกสารผมสีเหลืองตาสีแดงมีลักษณะเบ่งเกียดผมเหลืองตาแดงเดินออกมาเห็นของเบ่งขาวก็ถามว่าท่านนี้คือมหาอุปราชมอนเสฉวนหรือนี่เบ่งเกียดเรียกว่าคนตาคนดอย มาเห็นขน้อเจนถามอย่างนี้เลยคงเบ่งก็หัวเราะแล้วก็ตอบว่าเหตุไงท่านจึงรู้จักข้าพเจ้าเบ่งเกียจก็จึงว่าข้าพเจ้ารู้มันนานแล้วว่าหมหาตลา ด, ดยกกองทัพมารบกับเบ่งเฮกจะปราบปรามดินแดนอันนี้เบ่งเกียจกล่าวอย่างนี้บอกก็รู้แล้วแล้วก็เชิญคงเบ่งเข้าไปในเรือนคนเบ่งก็จึงว่าเกลเบ่งเกียจว่า ข้าพเจรับรับสั่งข้าเจ้าเหล่าเสียแนแห่งเสฉวนให้ยกกองทัพมาปราบรามเบ้งเฮโดยมีหมของให้อ่อนน้อมต่อเมืองเสฉวนให้จงได้และบัดนี้เบ้งเฮก็หนีเข้าไปอยู่นักเขาอินปองสันเรายกไปถึงทางเข้าทางทิศตะวันตกทหารทั้งกองลงไปกินน้ำในรำธานต่างก็เป็นใบ้ไปสิ้น เทพารักไม่บอกว่ายาแก้พิษร้ายแห่งน้ำมันมีอยู่ณที่ตำบล น, นี้ข้าพเจ้าจึงได้รีบมาหาท่านหวังจะเก็บยาท่านจะเมตตาบอกให้เราด้วยจะได้ช่วยแก้ชีวิตคนทั้งตัวงบีเ่เบียวก็จริงว่าทัวข้าพเจ้าเป็นคนปา่าหาควรที่มหาอุปราชจะมาหาไม่ เพียงแต่จะใช้แต่ทาหารโลมาก็ได้ยานั้นก็มีอยู่ที่หลังบ้านหมาประมาชจะต้องประสงค์สักเท่าใดก็ไปเก็บเอาเถอะและเด็กเจียกก็ให้เด็กพาอองเป้งกับทาหารที่เป็นใบนะออกไปที่ฐานน้ำฐานน้ำพวก็เด้ ก, กินน้าในลำพานนั้นเข้าไปก็หล า, ากเสินหาร้ายออกมา แล้วก็พูดจาได้เป็นปกติดังเดิมเบี้เสียจก็ถืงว่าแกขมไบ้งวะโอนทางซึ่งท่านจะเข้าไปในเขาอินตองสันนั้นแหะกันบานนะักก่อเป็นศัตรอันร้ายต่างๆนานาประการท่านจงเก็บใบฮูีเหียบเนี่ยไปให้จงมากจะได้แก้อันตรายในทางนั้นได้โขนเบ้งเด็กฟังนั้นก็มีความยินดีนะก็จึงได้ถานไปเก็บใบไมน้นํามาเป็นอันมากทีเดียว และขมเบ่งก็ว่าแกเบ่งเกียดว่าท่า น, นมาีไมตรีต่อเราเป็นอันมากท่านนี้ชื่อไรแซ่ใดหวานบอกข้าพเจ้าให้แจ้งด้วยเมื่อจำเลยจัดการแล้วจะได้ตอบแทนไมตรีท่านเบ่งเกียดก็ตอบว่าข้าพเจ้าซื่อชื่อเตีแซ่เบ่งเป็นพี่ชายเบ่งเฮ็กขมเบ่งได้ฟังก็ตกใจเลย มาเจอพี่ชายตัวสําคัญเขา้าพอดกายใหญ่เบ่งเกียรตเห็นใจนั้นก็จริงพูดว่มามหาอุปราชท่านอยากินเนงรังเกียดข้าพเจ้าเลยตัวข้าพเจ้ามีเป็นพี่น้องร่วมพ้องกับเบ่งเฮกเบ่งฮิลแห่งมันอองก็จริงแต่เบ่งเฮกเบ่งฮิวนั้นเป็นคนผานอยากช้า มีได้เชื่อฟังถ้อยคำข้าพเจ้าผู้พี่ข้าพเจ้าจินละสมัครพระพวกทั้งปวงเสียหนีออกมาอยู่ที่นี่หวังจะหาความสบายบัดนี้น้องชายข้าพเจ้าทำความผิดคิดมิชอบมหาอุปราชจึงได้ความลหบากมาถึงนี่ตัวข้าพเจ้าผู้เป็นพี่ก็หาพ้นความผิดใหม่ มหาอุปราชจงโปรดให้ทานชีวิตข้าพเจ้าด้วยเถิดนี่เบงเกียร์ก็พูดเช่นนี้คนเ่นก็จึว่าท่านเดียววิตกเลยเบงเฮกเบงยู่เป็นคนชั่วกระทําความผิดโทษก็จะอยู่แก่ตัวเขาเท่านั้นส่วนท่านเป็นคนดีมีความสัตย์ความชอบอันความสัตย์ความชอบคุณงามความดีทั้งสิ้นก็จะมีอยู่แก่ตัวท่านเมื่อสำเร็ดราชการกลับไปบ้านไปเมืองแล้ว ข้าพเจ้าจะกราบคุณไว้เจ้าราสีงให้ตั้งทนานให้เป็นใหญ่ในแบบนนี้เบ่งเกียดก็จริงว่าสึ่งโปรดมาทางนี้พระคุณหาที่สุดมีได้แล้วแต่น้ำใจข้าพเจ้ารักแต่ความสงบนี่ได้ยินดีต่อสมบัติพระสถานที่จะเป็นใหญ่สืดไปผมเบิงเด้ฟังดังนั้นก็จริงให้สิ่งของเงินทองกับเบ่งเกียเป็นอันมากแต่เบ่งเกีย ก็ไม่ได้รับสิ่งของเงินทองเหล่านั้นกลับเอาคืในให้แ่ขงเบงทั้งสิ้นขงเบงก็จิงลาเบงเจียดขึ้นเกวียนน้อยแล้วก็พาฐานทั้งปวงกลับมายังค่ายขงเบงพอกลับมาถึงค่าย น, นั้เป็นเที่ยวแล้ววันนึง น, น้ำที่มีอยู่นั่นอนะไม่สามารถจะเป็นประโยชน์ได้ผมเองก็ฝ่ายฐานขุดบ่อในค่ายสิบบ่อลึกสี่สิบวาบ่อที่ขุดลงไปลึกสองเส้นก็หวังจะสายน้ำให้ทหารได้บินกินกันอนะทหารก็คุดลงไปตามคําสั่งมันแ ต, แต่ขุดลงไปขุดลงไป ก็ไม่ได้มีน้ำของเบ่งไรถานทั้งปลืงเห็นว่าไม่มีน้ำคือคนมาเป็นลึกตั้งสี่สิบวาไม่มีน้ำมันก็ตกใจละไม่รู้จะทำย่างไร